สิ่งใดก็ตามถ้าเพียงแต่ได้ยินข่าวคราวไปอย่างนั้นใจก็ไม่ค่อยสนิทแม้จะเชื่อก็เดือไปได้วยความสงสัยไม่เต็มเม็ดเต็ ม, ม, ตมหน่วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับกจิตใจนิสัยของคนของสัตว์โลก ไม่ใจ่ขึ้นอยู่กับหลักธรรมที่ทรงแสดงไว้ว่าใครจะยินก็ตามไม่ไยินก็ตามทำย่อมเป็นของจริงเสมอไปแต่คนที่เชื่อถือจากการได้ยินได้ฟังนิจากการบอกเล่าย่อมจะลดความเชื่อลงเป็นธรรมดา แม่ที่สุดจงแต่เราศึกษาเราเรียนจากตำรับตำลามาอย่างประจักษ์ตาก็ยังยึดถือเอาประโยชน์จากสิ่งที่ได้ศึกษาเราเรียนมาไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งนี้ก็เพราะความสงสัยนั่นแหละเข้าไปแทรกสิง เข้าไปแย่งชิงเพื่อประโยชน์ของมันอยู่เป็นลำดับลำดาในบรรดาที่ทาที่ได้ดินได้ฟังได้ศึกษาเราเรียนมาความเชื่อในธรรมที่ตนได้ศึกษาเราเรียนมาจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่พ้นความสงสัยที่จะแบ่งกินจนได้แหละ ทำว่าสงสัยก็หมายถึงผลลบนั่นเองไม่ใช่เป็นผลบวกแก่ผู้ที่สงสัยจึงต้องนะอาศัยการได้เห็นได้ยินด้วยตาเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูของเราเนี่มันชัดเจนดังผู้ที่ได้เห็นพระพุทธเจ้าประจักษ์ตา ได้ยินได้ฟังพระโอาวาทต่อพระพักของพระองค์หนึ่งนี่เป็นที่หายสงสัย <c oughs> ทั้งพระรูปพระโฉมพระอาการต่างๆที่ทรงแสดงออกตลอดถึงศัพท์ซ้ำเนียมการแสดงอัตธรรมต่างๆเป็นที่แน่ใจเพราะเห็นด้วยตาตนเองด้วยได้ยินด้วยหูตนเองด้วย แล้วเป็นธรรมของจริงเต็มส่วนด้วยปููฟังจริงมักสำเร็จหรือสำเร็จมักปุนิภานรวดเร็วกว่าที่ได้ยินได้ฟังมาจากตำรับตำลานี่ถัดเทียบส่วนมากส่วนน้อยก็เรียกว่าส่วนที่ได้ยินได้ฟังจากพระองค์เองนั้นมีจำนวนมากมีผลมาก ยิ่งกว่าที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมดาซึ่งไม่เห็นพระองค์เห็นเพียงตามตำรับตำนาเท่านั้นอืนี่แหละความผิดกันการศึกษาเราเรียนมาแล้วจําจนถึงติดปากติดใจก็ช่วยตัวเองไม่ได้จากความเรียนความจํามานั้นตัวเองก็ไม่แน่ใจนี่สิ จนกว่าได้ไปเห็นครูเห็นอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินท่านพาปฏิบัติถ้าเป็นสมัยจิ่เลยพุทธการมาไม่มีพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกอรหัตระหันมากมายเหมือนแต่ก่อนก็ต้องอาศัยครูอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินนี่พอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้แต่ถ้าเป็นทั้งพุทธการแล้วก็ไม่ต้องสงสัยพระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกก็ดีทรงแสดงและแสดงธรรมให้ผู้ฟังทั้งหลายฟังนั้นย่อมเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอัดทั้งรรมที่แสดงออกทั้งผู้ฟังก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยในการสัดสับฟังด้วยความเชื่อกความเคารพเข้มใส จ, จริงๆ จ, จากอัรทำที่แสดงให้ถึงใจ นี่ความแปลกต่างกันเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่พอเหมาะพอดีกับพระพุทธเจ้าที่จะตรัตรสรู้แต่ละพระองค์ตามตำนานเป็นอย่างนั้นพุทธบริษัทหรือสัตว์โลกที่อยู่ในภูมิอุคติตันอยู่วิปจิตตันอยู่ คือภูมิที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรุธรรมทั้งหลายนั้นมีอยู่จำนวนมากในระยะที่พระพุทธเจ้าจะมาตรัสรู้นั้นนี่เป็นเรื่องบวกกันเข้าจึงพร้อมพร้อมอะไรก็พร้อมเราพุทธเจ้าก็าศาสดาเต็มองค์ทมก็เต็มพระไทยมีแต่อของจริงรุ่นรวนสาวกจึงได้บรรลุ อย่างรวดเร็วและเป็นสาวกเต็มองค์อีกเช่นเดียวกันในการสั่งสอนประชาชนพระเนนทั้งหลายเต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งอากับกิริยาการแสดงออกทั้งอัดทั้งธทรรมที่แสดงออกเป็นอัดเป็นธรรมด้วยกันทั้งนั้นผู้ฟังจึงได้ผลเป็นที่พอใจนานมากก็ มันก็ค่อยจางไปจางไปก็เหมือนอย่างผลไม้ที่รุ่นแรกรุ่นที่สองที่สามในต้นไม้ต้นเดียวกันนั่นแหละมันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นหัวปีมันก็ดีรุ่นรองมาก็ยังพอดียังพอใช้พอเป็นประโยชน์พอรุ่นที่สามที่สี่ไปแล้วก็มักจะเลวไหลทั้ง ท, ทั้งที่เป็นผลไม้เช่นเดียวกันกับที่เป็นมาแล้วแต่ มันก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มคุณภาพเหมือนผลไม้ที่เป็นรุ่นรุ่นแรกรุ่นสองนี่เวนในยัตัดก็เช่นเดียวกันเป็นรุ่นรุ่นรุ่นพระพุทธเจ้าตรัสรู้และสั่งสอนอยู่นั้นเป็นรุ่นที่ว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วถ้านานมานานมาก็ค่อยหมดไปค่อยจางไปจางไป ยังเหลืออยู่ก็มีจำนวนน้อยบรรดาผู้มีปณิสัยมีน้อยมากเนี่ยหลังการแนะนําสั่งสอนก็ผู้มาแนะนําสั่งสอนก็มีจํานวนน้อยมากอีกเช่นเดียวกันที่จะสอนให้เต็มเหตุเต็มผลเต็มอัดเต็มทำถูกต้องตามหลักความจริงดังที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายพ่านพาดําเนินและสอนกันมานะผิดกันไปอย่างนั้นอย่างนั้น นี่ก็ศาสนาก็กล้าเขาจะสามพัน่สพัน้าร้อยกว่าปีก็ครึ่งศาสนานแล้วตเราเทียบดูสิทำมันไปกลางปีไปแล้วเป็นยังไงฝ น, นหัวปีต้นปีจนกระทั่งกลางปีแล้วปลายปีไปเป็นยังไงแต่คุณฟ้าฝนฝนก็จะหมดไปหมดไปนี่เป็นลักษณะที่ว่าคำว่าเรียวแหลม ส่วนความจริงนั้นไม่เคยเดียวแหลมแต่อุปนิสัยของสัตว์โลกนั่นสิมันมีเดิอน้ำต่ำสูงแล้วค่อยเดียวแหลมไปตามโดยล์ดับธรรมดามาสมัยทุกวันนี้ผู้ปฏิบัติอััธรร ม, มถูกต้องตามหลักศีลหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้จริงๆก็รู้สึกว่ามีน้อยดังที่เราเห็นอยู่นี่แหละอันนี้หลอกกันไม่ได้ต้มกันไม่ได้ เป็นความจัดความจริงที่ต่างคนต่างก็ได้เห็นในสัมผัสสัมผั์ว่าเป็นอย่างไรบ้างการปฏิบัติของพุทบวิสัตมีภิกษุวิสัตเป็นต้นเกี่ยวกับอัตธรรมศีลธรรมทั้งหลายนั้นกับตำหับตาลาเข้ากันได้ไหมตรงกันไหมนีท่ทั้งทั้งที่เห็นอยู่อย่างนี้แหละเอเียตมันมีตัวดื้อด้านสันดานสาม มันก็แหวกแนวของมันไปจนได้ถ้าหากไม่เห็นไม่มีตำหลับตำราดูเลยมันก็เป็นอีกอย่างแต่นี้ทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ๆเห็นๆอยู่มันก็ฝืนไปจนได้ฝืนความถูกต้องดีงามไปจนได้นี่แหละที่มันฝืนออกจากทางคือทางมากักทางผลก็เมื่อฝืนออกจากทางที่ถูกต้องดีงามเข้าสู่ทางที่ผิดแล้วจะเอาความถูกต้องดีงามออก มักเอาผลนิพพานมาจากไหน อ, อย่างไรมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่ถูกทางนี่ทิงอันนี้เราผู้ปฏิบัติจึงพึงคำนึงเสมออย่าได้ลดละเรื่องความสังเกตปฏิปทาเครื่องดำเนินที่ท่านสอนไว้ในตำลับตำลาก็ดีจากครูบาอาจารย์ที่ท่านพาดำเนินมาก็ดี ยึดเป็นหลักเป็นเกณฑ์เอาไว้เมื่อเจ้าของก็เห็นว่าเป็นความถูกต้องแล้วและครูอาจารย์นั้นท่านสอนและดำเนินด้วยความถูกต้องตามบัธรทำแล้วผู้ปฏิบัติตามจึงไม่ควรฝืนอย่างยินการฝืนก็คือก็คือการรับทานของแสลงนั่นเองมันต้องผิดแสลงกับโรคจนได้และทําให้โรคกำกาเริบไม่สงสัย ความผิดจากอัดทำก็ทำให้ทำในหัวใจของจักของกําเริบหรือเสื่อมตามลงไปมีตะกี้เรียนกาหาอาสวะแสดงความรุนแรงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกเมื่อกีเลียมันแสดงความเจริญขึ้นในหัวใจของสัตว์โลกความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลก็ต้องแสดงขึ้นตามๆกันห้ามไม่ได้เมื่อเหตุมันพาให้เป็นไปแล้ว นี่ปัจจุบันนี้เราคิดดูสิไม่กี่ปีมานี้ครูบาอาจารย์ร่วงโรยไปเท่าไหร่แล้วที่เป็นครูบาอาจารย์ร่วแล้วแต่ที่เป็นที่คารพเครื่องสเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตายท่างนั้นก็ผ่านไปผ่านไปดังที่เห็นกันอยู่นี้จึงไม่ควรนอนใจสำหรับผู้ที่กําลังตั้งใจอบรมศึกษาอยู่พยายาม ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนเองอันเรื่องความขี้เกียจขี้ค้านความอ่อนแอความท้อแท้เหลีวไหลเหล่านี้มันเป็นเรื่องของกิเลสโดยตรงอยู่แล้วก็ทราบกันอย่างชัดๆไม่ควรที่จะไปชินชากับมันดารรับเพื่อนสูงไว้ก็รับเพื่อนให้ได้ศึกษาอบรมนั่นเองผู้ที่อยู่เป็นเวลาหลายๆปีก็มีอยู่ที่นี่ เมาไม่ทราบว่าความประพฤตปฏิบัติเต็นอย่างไรหรือว่ามันเป็นก้างขวางคอหูเพื่อนอยู่ก็ได้เราก็ไม่ไแน่ใจนะักหรือเป็นทัพผีขวางม่ออยู่ก็ได้หลายปีหลายเดือนเท่าไหร่ก็ยิ่งขวางมากขวางมากเข้าไปยิ่งเป็นผีตัวใหญ่ในวัดนี้เราก็ไม่แน่ใจได้เหมือนกันมเมื่อทางจิตใจมันไม่เป็นไปมันจะต้องมีทางใดทางหนึ่งเขาเรียกว่าแหวแกแนว พาให้เป็นไปได้นี่อย่าให้เห็นอย่าให้ได้พบนะพูดเตือนไว้เสมอไม่ไม่พึงหวังไม่พึงปรารถนาอย่างยิ่งการทนทุกข์ทรมานในการรับหมู่รับเพื่อนการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนเราไม่มีความประสงค์อย่างยิ่งกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้อจึงขออย่าให้พบให้เห็น <c oughs> หต่างคนต่างตั้งใจประพฤติปฏิบัติ ่อย่าเสียดายความถือทิดฐิมานะว่าตนรู้ตนฉลาดตนมีฐานะหรือตอนมีอายุพรรษาอาวุโสอะไรเหล่านี้ตลอดถึงยศศักด์สมบัติปริวารอย่ามาอวดกันสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของโลกพระที่มาบวชฉละสิ่งเหล่านี้หมดแล้วอย่าไปคว้าเอาสิ่งสโสกโปกโมอันเป็นเดนแล้วนั้นมาทำลายตนและทำลายเพื่อนฝูงในวงพระศาสนา เียหายไปตามให้รับความกระทบกระเทือนและสั่งระสายไปเพราะสิ่งเดียวตามนี้เข้าไปทํำลายให้พากันรมัดระวังให้มากอย่าให้มีในวงปฏิบัติเราเพราะเป็นวงที่ละเอียดมากไม่มีอะไรเกินวงปฏิบัติแหละปริญัติผมก็เคยได้เรียนอยู่กับคณะปริยัติผมก็เคยได้อยู่จะพูดว่าเข้านอกออกในก็เรายอมรับได้เต็มเต็มหัวใจเพราะเราเคยเป็นจริง ทางด้านปริยัติเราก็เข้าได้เรียนไม่ว่าวัดราชวัดหลวงไปหมดเข้าไปทั้งนั้นเลยอยู่ได้ศึกษาทางด้านปฏิบัติเราก็ได้ออกมาดังที่เห็นนี่เนื้อการปกครองหรือการอยู่ร่วมกันในระหว่างปริยัติกับปฏิบัตินี้ต่างกันอยู่มากปริยัติไม่ค่อยมีอะไรนะ เพราะใครๆก็ทราบแล้วว่าขั้นนั้นผุ่มนั้นยังไม่จัดว่าเป็นขั้นละเอียดขั้นเอาจริงเอาจังขั้นเข้าได้เข้าเข็มขั้นเอาเป็นเอาตายแต่การปฏิบัตินี้เป็นขั้นที่เอาจริงเอาจังเข้าได้เข้าเข็มเอาเป็นเอาตายระหว่างกิเลสกับธรรมในหัวใจของเราผู้ปฏิบัติโดยแท้ยังไม่ควรให้สิ่งใดที่ตนก็ทราบตนก็เข้าใจว่าเป็นกิเลส แล้วนำมาแสดงเหยียบย่ำทำลายหัวใจตนแล้วกระจายไปกระทบกระเทือนแก่ตาหูจิตใจเพื่อนฝูงให้รับความกระทบกัะเทือนอันนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งเพราะภาคปฏิบัตินี้เป็นภาคที่เอาเป็นเอาตายกับสิ่งที่เป็น่าตึกคือกิเลสทุกประเภทไม่ได้ไว้หน้ามันเลยแต่ทำไมจริงต้องให้มันมาออกแสดงนิเดชอยู่บนเวทีแห่งภาค ปฏิบัติหรือเห็นเวทีของสงครามระหว่างมันกับธรรมเรานี่นอกจากจะให้มันบรรลัยลงไปอะไรก็ตามเมื่อแสดงความมุ่นหนิดขึ้นมาภายในใจให้ทราบว่าตัวมุ่นหนิดนั่นแหละตัวจะก่อฆ่าสึกขึ้นมาเวลานี้ได้ก่อขึ้นแล้วภายในหัวใจตัวเราเองได้ทําความทุกข์ความเดือดร้อนให้ปรากฏแล้วภายในใจเราเราอย่าระบายความ ฟไฟที่อยู่ในหัวใจนี้ออกไปเผาคนอื่นเพราะเท่าที่เผาเราในขั้นเริ่มแรกที่ยังไม่กระจายไปที่อื่นก็ทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ของดีคือกิเลสโดยแท้เป็นไฟของกิเลสโดยแท้โทสักกินาฟัางสิความไม่พอใจความเก่าความฉุนเขียวเหล่านี้ท่านเรียกว่าโทสักกินาไฟคือโทสัมันแสดงขึ้นแล้ว อย่าให้มันได้มีอํานาจแผงริบออกไปจากจุดนั้นจากใจดวงนั้นให้พยายามห้ามหันมันลงทันทีให้เห็นโทษแหความโกรธของตนยิ่งกว่าจะเห็นโทษของคนอื่นตําหนิคนอื่นโกรธให้คนอื่นซึ่งเป็นเรื่องความผิดในตัวเองโดยแท้ไม่ใช่เป็นเรื่องความผิดของผู้อื่นบางทีเขาดีอยู่เราไป เป็นความสําคัญขึ้นมาแล้วแม้พอใจในเขาอย่างนี้มันก็ผิดในตัวของเราเองแม้เขาก็ผิดแต่เราก็แสดงความผิดขึ้นเผาเราอีกแล้วก็ทบกระเทือนกันอีกก็ยิ่งผิดทั้งสองฝ่ายไม่มีใครดีเลยเอาเป็นคติตัวอย่างไม่ได้ไม่สมชื่อสมนาม ว, ว่าทั้งสองนี้มาปฏิบัติด้วยกันเพราะฉะนั้นภาคปฏิบัติจึงเป็นภาคที่ละเอียดมากเป็นภาคที่ใช้สติปัญญาเอามากมายยิ่งกว่าภาคใดๆ ถ้าไม่ใช้สติปัญญาสังเกตจอด ร, รู้อยู่กับต้นเหตุคือใจแล้วปฏิบัติไปเท่าไหร่ก็ตามเราจะไม่ได้เหตุได้ผลได้อัดได้ทำและได้ฆ่ากิเลสเป็นลําดับตําดาไปตามดังที่ทำเทนว่ะเป็นเครื่องค่ากิเลสนั่นเลยแต่จะกลายเป็นเรื่องคุ้้เกียหากิเลสมาเผาเราโดยไถ่เดียวเท่านั้นเพราะสติไม่มีถ้าสติก็เป็นสติเรื่องของกิเลสไปเสีย เป็นศาสตราวุธของกิเลสเสียไม่ใช่สติธรรมเป็นสติของกิเลสปัญญาก็ไม่ใช่ปัญญาธรรมเป็นปัญญาของกิเลสมันก็นํามาทําลายตัวเองได้แล้วอยากเข้าใจว่าคำว่าปัญญาโลกีะปัญญาโลกุตระปัญญาที่เจ้าทรงสอนแล้วถ้าเราจะแยกออกมาใช้ธรรมดานี่ก็คือว่าปัญญาฝ่ายธรรมกับปัญญาฝ่ายโลกนั้นต่างกันปัญญาฝ่ายธรรมมีความสอดส่องมองดูสิ่งที่เป็นภัย เมื่อทราบอย่างไรแล้วระงับดับกันสลับปรับทิ้งกันทันทีทันใดถึงจะไม่ได้นะทันทีนใดก็พยายามเอาจนเต็มเหนียวไม่ทอดทุระนั่นเรียกว่าปัญญาเพื่อความแก้ความขายความถอดความถอนสิ่งไม่ดีของตนจริงๆสติสอดรู้อยู่ตลอดเวลาไม่เคยชินหรือไม่ชินชากราบสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นจากใจและฝังอยู่ที่ใจนั่นแหละนี่คือผู้ปฏิบัติ ต้องใช้ความพินิษพิจารณาอยู่อย่างนี้เพื่อจะสมมาปฏิบัติไม่ใช่เดินจนลมหยกัยกหยกักแล้วก็ว่าตัวทําความเพียรเดินนั้นมันเดินเป็นลักษณะบ้าเดินก็ได้ถ้าไม่มีสติแล้วก็เหมือนบ้าเดินผิดเปลบอะไรนั่งก็เหมือนกันอืเป็นหัวต่ออย่างนั้นความรู้สติไม่ได้ควบคุมมีแต่นั่งเฉยๆเดินเฉยๆญาณความเพียรคือสติไม่ปรากฏภ า, ายในจิตใจเลย จะเรียกว่าเป็นความเพียรได้อย่างไรไม่เรียกอมไม่ผิดอะไรกับโลกเขาที่เขาไม่ได้ทําความภาพเพียร น, นี่แหละทำมาต่างกันต่างตรงนี้เองระหว่างผู้ประกอบความภาพเพียรและระหว่างของสติโลกของโลกปัญญาของโลกกับสติของธรรมปัญญาของธรรมมันต่างกันอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่าโลกจะไม่มีสติโลกมีเหมือนกันปัญญาเขามีเหมือนกันแต่มันเป็นไัย มันเป็นเครื่องมือของกิเลสจริงต้องเป็นภัยถ้าสติปัญญาอันเป็นเครื่องมือของธรรมแล้วจะไม่เป็นภัยแก่ตนเองนี่นะสติปัญญาประเภทเหล่านี้เป็นสติปัญญาที่แก้ความเป็นภัยของตัวได้โดยลํำดับตํานาความฉลาดแหลมคมใดก็าตามถ้ายังไม่ได้ผ่านการต่อสู้กับความฉลาดแหลมคมของกิเลส ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเอาเอาจนกระทั่งถึงขั้นมันบันไลัไปแล้วเราอย่าด่วนคุยว่าเราฉลาดจะเรียนมาจบโลกไหนไรเพศใดก็ตามปริญญาใดก็ตามมันเป็นปริยาของกิเลสยื่นความเสกสันตัปัญอหลอให้เท่านั้นก็เช่นเดียวกับเราเขาโยนข้าวให้สุนัข ก, กินนั่นเองจะผิดกันอะไรความฉลาดใดที่ ได้หลุดพ้นหรือได้ทําลายสิ่งที่เป็นค่าสูตรตัวฉลาดแหลมคมครอบโลกกับถาดคือกิเลสนี้แล้วทํานั่นแหละสติปัญญานั่นแหละเรียกว่าสติปัญญาที่ฉลาดแหลมคมนึกเตียงไกาโดยแท้ไม่สงสัยเจ้าของก็ไม่สงสัยแม้จะไม่เสกสรรตั้นย่อตัวเองก็ทราบชัดเจนอยู่ว่าไม่สงสัยว่าเป็นความฉลาดโดยแท้ ไม่เป็นภัยแก่ตัวเองยิฏที่เป็นภัยต่อตัวเองอยู่ตลอดเวลานี้เพราะอะไรไม่ใช่คนคนโง่เถวเบาปัญญานะมันฉลาดเหมือนกันแต่มันฉลาดในเรื่องของโลกไม่ฉลาดในเรื่องก่อไฟเผาตัวฉลาดไปเป็นตามแถวของของกิเลสมันก็ต้องสอดหาตั้งแต่ความไม่ดีนั่นแหละใส่ตัวเองแล้วใส่คนอื่นยุ่งไปหมด ถ้าไม่มีธรรมเขาแทรกแล้วมีแต่กิเลสล้ว น, นๆอยากเข้าใจว่าจะทําโลกให้ทั้งทั้งโลกเนี้ให้มีความร่มเย็นเป็นสุดเลยเลยัราะฉะนั้นโลกกับธรรมจริงต้องอยู่ด้วยกันมาโดยลๆๆําดับลําดาเราจะเสกสรรพันยา ว, ว่าธรรมมีไม่มีก็าตามธรรมในหลักธรรมชาติที่เป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันหรือบรรเทากันยังมียังพอมีโลกถึงอยู่กันได้ถ้าการสมยัยใด กินเป็นโรคล้นล้วนไม่มีทำภายใน จ, จิตใจเลยนั่นก็เท่ากับว่าเราเป็นโรคภัยหรือเป็นโรคภัยไม่มีอยู่มียาไม่มีหมอรักษาเลยคอยแต่วันตายเท่านั้นนี่แหละเรื่องกิเลสจึงแหลมคมมากทีเดียวละเอียดออกมากที่สุดไม่มีอะไรเกินสามแดนโลกธาตุนี้จึงอยู่ตาํานาจของกิเลสโดยประการทั้งปวง ใ้รจะว่าฉลาดขนาดไหนก็ฉลาดอยู่ในวงของกิเลสที่ครอบ ห, หัวอยู่นั้นไม่ได้นอกเหนือไปจากกิเลสนี้เลยแต่เรื่องของธรรมนั้นผิดกันอยู่มากทีเดียวเมื่อได้นำมาต่อกรกับกิเลสประเภทต่างๆจนกระทั่งถึงได้บรรลัยออกหมดจากหัวใจไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละจึงชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดเลิศโลกดังพระพุทธเจ้าของเราหรือภาษาวการ ห, ารหารัตลหัมถึงจะไม่หอเหินเดินฟ้าก็าตามเถอะ มันคือเลิศอยู่ภายใจิตใจนั้นโดยไม่ต้องเสร็จสรร์ตั้นยอกันเลยเพราะเคยจมอยู่กับสิ่งโศกระปกโซมมสิ่งเลวทรามทั้งหลายสิ่งต่ําช้าหาลักคุณค่าไม่ได้มานานแสนนานแล้วด้วยอํานาจแห่งความต่ําช้าเลวทรามนั่นแหละมันครอบไว้ไม่มีทางออกได้เลยแต่เมื่อทำได้โผล่ขึ้นภายใจิตใจแล้วขุดตัวขึ้นมาได้ดีดออกมาได้จนกลายเป็นผู้เหนือกิเลสเรียกว่าโลกุตระธรรม เป็นสติปัญญาที่เหนือโลกเหนือกิเลสอาสวัตทั้งหลายทำลายมันจะจนสิ้นแา้ภ า, ายในจิตใจแล้วนั่นถึงจะ่าฉลาดถ้าจะจัดนะแต่หลักธรรมชาติจริงๆแล้วท่านก็ไม่นิยมว่าท่านโง่หรือท่านฉลาดท่านไม่ไปสําคัญมันหมายกับกิริยาการเหล่านั้นหละท่านอยู่ตามความเป็นจริงปราดทั้งหลายเป็นชนนั้นท่านจึงไม่ตื่นเต้น ใครจะมาเสนอเสวนก็ตามมานินทาก็ตามน้ำหนักในทั้งสองอย่างนี้จึงเท่ากันถ้าเทียบก็เหมือนกับน้ำเต็มแก้วแล้วจะเอาน้ำอะไรมาเทก็ลดออกหมดไม่ค้างนี่จิตที่เต็มอัดเต็มทำแล้วก็เหมือนกันทาเต็มหัวใจแล้วก็ไม่รับทั้งคําสนอเสวนคำนินทาหากเป็นหลักธรรมชาติ อย่างนั้นเองไม่ใช่ตั้งท่าตั้งทางจะไม่จะไม่รับตั้งท่าตั้งทางจะสลัดไม่ใช่อย่างนั้นนั่นมันยังเป็นท่าต่อสู้หลักธรรมชาติของจิตของธรรมแทจะไม่มีคมาว่าตั้งท่าต่อสู้หากเป็นหลักธรรมชาติทั้งตัวเองอย่างนั้นดีผ่านมาก็เพียงรับทราบก็หายไปในหลักธรรมชาติของมันเชื่อก็เหมือนกันนินทาสนสนเสริญ มาก็ตกไปพร้อมๆกันท่านกล่าวไว้ในธรรมบทหนึ่งว่าอันนี้น่าคิดอยู่มากเพราะอันนี้อยู่ในหลักธรรมบทปเปลี่ยนสามประโยชน์นี้ต้องผ่านทำบทนี้อ น, นี้จะพูดเป็นภาษาไทยเลยว่า เปลือกตมคือกิเลที่ตั้งอยู่ในจิตของปารหันต์ฟังย่อมไม่ตั้งอยู่ได้นานแล้วตกไปในทันทีทันใดเช่นเดียวกับน้ําที่ตกลงบนใบบัวแล้วติ่งตกไปเช่นนั้นเหมือนกันโดยที่ว่าใบบัวก็ไม่ตั้งใจจะสลัดน้ําใจก็ไม่ตั้งใจจะสลัดกิดเลสพวามปรากฏขึ้นหัดดับไปตามหลักธรรมชาติของมันเช่นนั้น่ะ ถ้าจะแยกออกมาพูดอีกประเภทหนึ่งก็เมื่อที่ทิเลสมันสิ้นแล้วจริงๆแล้วที่เลสอันรที่จะมาตกในใจของพระละหัน ถ, ถึงได้ติ้งตกไปนั่นนั่นนี่หมายถึงว่าฐานของกิจจริงๆแล้วบริสุทธิ์เต็มที่แต่คาว่าเปลือกตมคือที่เลส ตั้งเหยือสี่ประหานั่นก็คือหมายถึงว่าขันที่แสดงออกมาหยับหยาบชั่วขณะขณะซึ่งเคยเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นกิเลสมาดั้งเดิมมันแหละมันแสดงออกมาในขณะนั้นแต่ไม่ใช่ตัวกิเลสแท้เป็นเป็นกิริยาของขันท์ท่านเอามาพูดเฉยๆให้เพื่อให้เข้าใจพอปรากฏขึ้นแล้วก็ก็ดับไปพร้อมกันกับขณะที่สังขารนึกเป็นต้นนะความปรุง เกิดขึ้นและดับไปเกิดขึ้นนั่นแหละเหมือนกับว่ า, เ, าเปลือกตมคือกิเลสตกในกิจของปรลหานย่อมติ้งตกไปในขณะนั้นโดยไม่ต้องสลัดปัดทิ้งมันเลย ม, เมันเป็นออกมาเองนี่ก็คือว่าอาการสมมุติอยู่ในขันนั่นแหละจะเป็นกิเลสที่ไหนมาจากไหนไม่มีเพราะคำว่ากิเลสแท้ๆนั้นได้แก่อวิชชาปาัญาสร้างคาระนั้นได้พังลงไปแล้วตั้งแต่ขณะได้บรรลุธรรมไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าและสาวะองค์ใดได้บรรลุ อวิชาปัิญาสั้งขลาจะพังไปเหมือนกันหมดไม่มีอวิชาตัวใดจะยกจะถูกยกเว้นไว้ว่าให้ยังเหลืออยู่พอให้เป็นกิเลสได้ตั้งอยู่บนจิตพระรามไม่มี่อันนี้คือว่ากิเลสอันนี้ท่านเทียบพอยกขึ้นมาเทียบได้ก็คือว่ากิเลสในขันเท่านั้นเองที่ปรากฏขึ้นในขณะที่ขันแสดงตัวยับยับยับยับเพียง่านั้นพอให้จิตรับทราบรับทราบเนี่ยแล้วดับปดับไปเพราะคําว่าจิตจิตนั้นไม่ใช่หัวต่อ รับทราบดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบถ้ า, าว่าไม่มีไม่มีพื้นถ้ า, าว่ามีกิเลสมีอยู่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจแล้วจะติด<ม>แดจะยินดีจะยินลายแต่พื้นฐานของจิตจริงๆนั้นบริสุทธิ์แล้วกิเลสไม่มีเจิงไม่ได้รับความมีรักเป็นไปเท่ากับรับทรบาบดีชั่วดีชั่วสิ่งที่น่ารักน่าชังรับทราบรับทราบดับไปพร้อมดับไปพร้อมนี่แหละท่านว่าว่าเปลือกตมคือกิเลสตั้งในจิตรลานเดามาตั้งได้นานเจิงตกไปไม่ทําดีทำไรมหมายถึงอันนี้ มีมีในคำพี์แล้วก็ได้คิดแต่ก่อนเอ๊ะพระสานีวัตสิ้นกิเลสแล้วทําไมจึงต้องมีกิเลสแตกตมคือกิเลสมันตั้งอยู่ในจิตพระสารีแล้วยุ่งกิ้งตกไปอย่างนี้ล่ะนี่นะแล้วก็เวลามาพิจารณาหลังจากนั่นเมื่อเด็เข้าในทางผ่านทางด้านปฏิบัติแล้วก็ทําให้ได้คิดเรื่องเหล่านี้แหละก็มายอมรับกันตรงนี้โดยไม่สงสัย ยอมรับว่าคำว่ากิเลสคือเปลือกตมคือกิเยสจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่กิจยาของขันที่ไปสัมผัสสัมพันธ์กับความรู้นั้นเท่านั้นนยแต่สัมผัสในขนาดนั้นขนาดนั้นดับไปเองดับไปเอ ง, ไ, เองไม่ต้องมีใครบ า, บารังคับไม่ต้องในสลัดเนี่ย <laughs> เช่นเดียวกับน้ําที่ท่านว่าน้ำปิ้งอยู่บนใบบัวตกล บ, บนใบบัวจะปิง้งตกไปต่างอันต่างไม่ได้ตั้งใจกัน ไม่วัว ก, ก็ไมไ่ไม่ได้ตั้งใจไม่ถฉุนชาบชาบน้ำํำไม่ได้ตั้งใจฉลัดแต่มันทําเป็นหลักธรรมะท่านมันอย่างนั้นท่า น, นเทียบเอาไว้กับอันหนึ่งที่ท่านแสดงไว้มีก็รณีทำมบทนั้นเหมือนกันเ ด, ดูก่อนที่สุสหลายจิตจิตเดิมแทบอันเป็นอภัสศอภัสสอนท่านว่านี้แต่เพ่อขี้เหนียวที่จรมาที่ทําให้จิตเจ้าหมองนี่ตรงนี้ก็มี ในวงบิตปริยัตยิเถียงกันซะตาดําตาแดงไอ้เราก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักเถียงเขาก็ไม่เรื่องอะไาอะไรก็เอาหลับตามาเถียงกันไม่ใช่ลืมตาเถียงกันเถียงวันยังค่ำมัน ม, มันจะไปะหาสงสัยกันยังไงต่างคนต่างหลับตามาเถียงกันเท่านั้นแหละ <c oughs> แต่เวลาผ่านทางด้านปฏิบัตินี่มันก็เข้าใจให้มันเองไม่มีใครถามไม่มีใครบอกก็ตามมันน่าเข้าใจเช่นจิตพรสอนจิตจิตพระสอนของจิตธรรมดานั้น ก็หมายถึงอวิชาสงบตัวนั่นมันนีอยู่สองภาคนะคำว่าจิตผ่องใสจิตสงบจิตอวิชาพักตัวอวิชาไม่ไม่มีเครื่องมือออกหากินไม่มีทางออกหากินไม่มีเครื่องมือใช้ก็เหมือนกย่เข้าปฏิสุธิวิญญาณใหม่จิตสงบตอนนั้นก็เป็นปฏิก็เป็นจิตเดิม ผองใสคือสบอบงบอยู่ตามตามตามหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่องใสได้กด้วยการได้ขัดได้เกาอะไรแหละหมายเอาถึงความสมบงบของจิตเวลานั้นยังไม่ได้ใช้กิริยาคือไม่มีทางออกตาหูจมูกดิ้นกายก็ก็ยังไม่แก่กล้าหรว่างไงเพราะเพียงปฏิสนธิเท่านั้นก็ยังไม่ใช่งานอะไรไม่ได้นี่อันนึงนะที่อันสําคัญที่สุดนี่นะก็คือกิตตวิชชา นี่ผ่องใสแท้อันนี้น่ะอมันเห็นก็ชัดอย่างนั้นที่การปฏิบัติมันถึงไม่ได้สงสัยกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนไม่เห็นก็ตามไปเราเห็นคนเดียวเราก็หายสงสัยคนเดียวนั่นแหละแล้วเรายกตัวอย่างเช่นอย่างวัดป่าบรรตาดนี้ใครไม่เคยเห็นเลยทั่วประเทศไทยเราไมาเห็นคนเดียวเราจะสงสัยเไป็งไงว่าวัดป่าบรรตัดไม่มีได้เหรอก็ต้องยอมรับว่าวัดว่ามีทันทีเลยเนี่ยหลายเดียวเราเราก็ชัดไม่ต้องไปหาถามผู้ใดที่เขาไม่รู้ไม่เห็น พอจะมาเป็นสกิบยานเราได้ให้มันเสียเวลาแหละตาเรามันเคยใช้มาเท่าไหร่หูเคยใช้มาเท่าไหร่ใจเราเคยใช้มาเท่าไหร่ดูมาดูภาพเดียวเท่านั้นเข้าใจอันนี้ก็เหมือนกันคำว่าประพัดสอนปรัดส อ, อนอันนี้เราแน่ใจว่าท่านหมายถึงธรรมชาติอันนี้เพื่อไม่ให้พิกูจทั้งหลายติดนะก็สอนพิสูจน์ตงหลายแท้ๆเนี่จะไปสอนอะไรถึงโน้นจิตอะไรอวิชชาไอจิตของธรรมดาธรรมดา ที่มันจมตักอยู่นู้นไปพูดหามันถามพูดมันทำไมตั้งแต่นะธรรมะในบางแง่มีคนถามพระองค์บอกว่าเป็นอาจินไตไม่ไม่ทรงรับสั่งอะไรเลยดิดี๊ดิดนี้เดิมแท้ๆมันเป็นยังไงมาจากไงนนี่อันนี้เป็นอาจินไตตอบไปทำไมเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์นท่านจึงยกเรื่องขึ้นมาเหมือนกับน้ำยอกเท้าเราจะไปถามสกุลนานอยู่จนกระทั่งถึงถาฝาเท้ามันเน่าแฟะไปหมดนั่นหลอลนั่น ก, การรีบถอนน้ําออกจากเท้าบ่งน้ําออกจากเท้าอันไหนดีกันนะการบง ham, ร่งน้ําที่บ่งน้ำออกจากเท้านั่นแหละเป็นฐานะที่เหมาะสมอย่างยิ่งกว่าที่จะไปถามสกุลน้ำว่ามาจากสกุลอะไรไๆซึ่งจาความที่หายใจตรงก่อนไม่เกิดประโยชน์อะไร น, น่นี่เราพูดถึงเรื่องจิตเดิมมันมาจากไหนจากไหนจิต ท, ท, ที่แรกมันจะเป็นจิตเป็นมาไงนี่พระพุทธเจ้าไม่บอกว่าเป็นอะจินตยอย่าไปถามให้แก้ตรงที่มันจะเป็นประโยชน์ท่า น, นบอกนี่แหละนั่นเนี่ยตรงที่เป็นประโยชน์ก็คือแก้จิตตรงนี้แหะ เป็นประพัดสอนนี่สอนที่สุณทั้งหลายท่านจะไปสอนอะไรจิตอห่งโน้นจิตทิ้นนอกเขตนอกแดนนอกเขตนอกผลนอกบัญชีท่านจะไปสอนทำไมนี่เป็นความแน่ใจของเราเพราะท่านมาได้บรรยายไปว่าจิตประเภทนั้นประเภทนี้ท่านบอกบประพัดสอ น, นเฉยแล้วนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปก็ไปเจอเอาอย่างนั้นเอจิตประพัดสอนนี่คือจิตต่อวิชาประพัดสอนตาหูจมูกเดินกายหมด ถูกตัดไปหมดแล้วตาก็สักแต่ว่าเห็นเท่านั้นหูสักแต่ว่าได้ยินไม่สามารถที่จะสูนทราบเอาความดีความชั่วความรักความชังเข้าเข้าไปฝังในจิตใจได้เหมือนอย่างแต่ก่อนเลยนะเนี่ทางเดินของอวิชามันออกไม่ได้พูดง่ายง่ายเพราะถูกตัดไปหมดแล้วดังที่เคยเทศแล้วนั้นจากนั้นก็ย่นเข้าไปถึงกายรูปเวทนาสัญญาสังขารมิญ ญ, ญาอันนี้ก็เป็นแตเ่เพียงอาการอาการอากา ร, อ, าการอั น, นี้เมื่อ เราพิจารณารอบแล้วมันก็เป็นอาการนั้นจริงๆมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่จิตเนี่ยมันเป็นอากนั้นหนึ่ง เ, เท่านั้นนี่แล้วก็รู้เท่าทัดเจนด้วยว่าสิ่งนี้เป็นอาการอาการไม่ผสาน ก, นกันกับใจเลยนี่รู้ได้ชัดไม่มีใครบอกก็ตามเจ้าของรู้คนเดียวก็หายสงสัยนี่เช่นเดียวกับเรามารู้เห็นมาตาบันตาเนี่ยหายสงสัยคนกี่ล้านคนไม่เคยเห็นก็ตามเราไม่เห็นเตียงคนเดียวก็หายสงสัยอันนี้ก็เหมือนกันจิต ถ้าปฏิบัติตามแบบที่พระเจ้าทรงสอนแล้วไม่สงสัยเมื่อไปเจอเข้าไปแล้วเป็นอย่างนี้มิได้ความปองใสความปองใสที่จิตชาระได้ความปองใสที่ตัดขาดจากอาความเยื่อใยทั้งหลายและความเกี่ยวกับความระยองระยางกับตาหูจมูกเลี้ยงกายรูปเสียงกิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งหลายออกได้หมดโดยประการทั้งปวงแล้วมันก็เหลือแต่ความปองใสอ ย, อย่างเดียวเท่านั้นนั่นไม่ติดไม่ต่อไม่สูบกัน ไม่ประสานกันกับตารูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ปรสานกันรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ไม่ปรสานกันหากอยู่ด้วยกันหากรู้กันอยู่อย่างนั้นนี่เพียงเท่านี้ก็รู้ชัดแล้วว่ามันไม่ใช่อันเดียวกันระหว่างจิตกับขันตรงนี้ท่านที่บอกว่าขันขันขันแปลว่ากองแปลว่ามวดแปลให้มันตรงกองก็คือบากองนั่นเองอ่ะมนนันเป็นกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งอันนั้นใจนี้เป็นอันหนึเงิะ พอตัดเข้าไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือมันเป็นไปตามหลักธรรมชาติของการพิจารณามันหมดไปหมดไปหมดไปขาดเข้าไปขาดเข้าไปจนกระทั่งถึงรูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณกับจิตก็ขาดจากกันให้เห็นชัดๆซึ่งไม่เคยเห็นไม่เคยคาดเคยคิดว่ามันจะขาดจากกันได้ไม่เคยคาดคิดว่าจะรู้เท่ากันได้อย่างนั้นมันก็รู้เท่าได้จีว่างไงมันนเป็นของมันเองมันปล่อยของมันเองมันไม่ยึดโดยหลักธรรมชาติรู้ดูเห็นอยู่อย่างนั้นแต่สิ่งที่มันยึดมันเป็นเดียวกันก็คือเรื่องกิตติวิชามันไม่ทราบนั่น นี่สิตามสัมผัสนี่ละเอียดสุดที่สุดถึงว่าอวิชชาคือจอมกษัตริย์วัตจักเป็นสิ่งที่แหลมคมละเอียดมากที่สุดไม่มีอะไรเพิ่นเราว่าลูกเสียงจิตลดเครื่องสมัตตาหูจมูกดิ้นกายที่มันสัมผัสสัมผัสกันว่าเป็นเป็นความละเอียดมันไม่ได้ละเอียดแต่จิตของเรามันหยากมันมันจึงรู้ไม่ได้แต่พอได้ฝึกกี่เข้าไปมันก็รู้รู้เข้าไปโดยกระทั่งถึงอาการของขันห้ายาว่าจะรูปเสียงจิตลดกับตาหูจมูกดิ้นกายผสานกันเลยแม้แต่ขันห้า กัจิตมันยังไม่ประสานอยู่บาเมื่อมันรู้มันรู้จริงๆอย่างนั้นะแต่จิตกับอวิชชานี้มันประสานกันเราไม่รู้นะนี่สําคัญมากที่สุดนี่หละที่ว่าประพัดสอนประพัดสอนเห็นได้ชัดทีเดียวนี่ประพัดสอนจิตเคยทกกันแต่ก่อนแต่ปรินญาตมานะแล้วถ้าจิตถ้ามันพองใสจริงแล้วมันจะเกิดทําไมก็มันพองใสมันจะเกิดทําไมก็มันพองใสมันไม่ใช่บริสุทธิ์นี่แน่มันก็มีที่ตอบกันพักทันทีเลยตอนพองใสนี่มันพองใสก็เห็นได้ชัดแต่มันไม่บริสุทธิ์ พอถึงขั้นบริสุทธิ์คืออวิชาพังลงไปทั้นั้นมันก็จิตเป็นบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์นี่ไม่ควรจะเกิดแล้วที่นี่ไม่เกิดไม่ว่าจะไม่ควรไม่เกิดร้อยทังรอยเปเซนยันกันได้เลยเจ้าของนั่นแหละจะยันเองเจ้าของนั่นแหละเป็นนักเกิดเจ้าของนั่นแหละเป็นนักสืบต่อกับเรื่องพบเรื่องชาติทั้งหลายตัวนั้นเรารู้ชะตาแต่ว่าถึงขั้นมันปล่อยมันวางของมันมันตัดมันขาดสะบัน้นลงไปจนทั่งไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้วมันจะอะไรไปเกิดมััันนนนนนเเห็ชดอยยู่่ะ นั่นแหะที่นี่จิตบริสุทธิ์นี่ไม่เกิ ด, ดนั้นมันจิตผ่องใสนั่นน่ะมันผิดการพอเข้าภาคปฏิบัติแล้วก็ยอมรับเลยอ๋อเป็นอย่างนี้นั่นนอกาพระพอนพระพอนมันก็เป็นอย่างนี้เองวะ่ะอ๋อเป็นอย่างนี้เองมันยังไม่บริสุทธิ์พอถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วคําว่าพระพอนมันไม่มีเนี่ยความป่องใสงไม่มีนะมันบริสุทธิ์มันต่างกันคํา่องคำว่าผ่องใสกับคําบริสุทธิ์เนี่ยมันต่างกันให้รู้โดยเจ้าของนั่นแหละมันชัดเจนดี นี่ภาคปฏิบัติเอาที่ทุกวันนี้ก็เอาที่ปฏิบัติที่นี่เป็นสดสดร้อนๆเนี่มีอดีตอ น, นาคตที่ไหนมันคือล่าสมัยที่ไหนใจเราแท้แท้เนี่ยเรารับผิดชอบใจของเราแทๆ้ๆวิธีปฏิบัติก็แก้กันตรงที่ว่าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยทําไมจะแก้ไม่ได้หรอฮะัางใจพูดปฏิบัติลงไปเลยให้มันรู้มันเห็นเลยเขาจะได้หายสงสัยเรื่องพบเรื่องชาตินี่เป็นยังไงเป็นประโยคใหญ่หลวงไหมเป็นสาเหตุอันใหญ่โตไหม คือมหาเหตุนั่นเองนั่นความเกิดจะเป็นอะไรไปก็ความทุกข์ความยากความลาบากทั้งหมดไปจากความเกิดนี่ทั้งนั้นที่เดียวอืสัตว์โลกนี้ได้รับความทุกข์ความทรมานไม่เกิดไปซะก่อนมันจะเอาอะไรไปไปเป็นความทุกข์ความทรมานเกิดไหนก็เกิดเถอะถ้าหลงว่าเกิดแล้วร่วงความทุกข์ต้องปิดแนบไปตามพบหยาบพบละเอียดไม่สงสัยอืมพบละเอียดก็ก็ต้องมีความทุกข์ละเอียดอยู่นั่นพบหยาบก็มีความทุกข์หยาบเราก็ทราบกันแน่ตรงนี้ ครับพบละเอียดเช่นอย่างไปเกิดเป็นอินเตนผมนี้ก็พบละเอียดก็เป็นทุกละเอียดนั่นเพราะกิเลสมันยังครองอยู่กิเลสครองที่ตรงไหนก็มีทุกอยู่ตรงนั้นแหะจะ ก, กิเลสส่วนละเอียดก็ทําทุกให้ละเอียดแก่สัตว์โลกนี่จนกระ ท, ทั่งกิเลสพังเสียหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วนั่นแหละที่นี่มันถึงจะไม่เกิดและไม่มีทุกเรื่องของกิจนั่นฉันจึง ก, ก, กล้าพูดว่าเวทนาสามไม่เข้าไปกเกี่ยวข้องกับจิตเลยฟังซ์เต้ ทุกเวทนาก็ตามฝุกเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีอยู่ในเพียงขันเท่านั้นรูปประขันนี่เท่านั้นไม่สามารถที่เข้าสู่จิตของปัจฉริห์ได้เลยในเวทนาทั้งสามนี่จิตเวทนาจริงไม่มีนั่นฟังใช่เอาอะไรมามีฮะก็ว่าประสานกับอะไรแล้วธรรมชาติ น, านั้นพ้นจากสมมติอุปการทั้งกวงแล้วอืมเวทนาอนิจจวทยาเวทนาอนัตตาว่าไปทำไมออนิจจันตุ ข, ขังหน้าตาน่ะฟังสิ มันก็เป็นโลกล้วนๆเห็นจะชัดอยู่เป็นอันหนึ่งนั่นอันนั้นเป็นวีมตทหลุดพ้นแล้วจากสมมุติทั้งปวงเรานี่เป็นสมมติมันเห็นจะชัดเลยปฏิบัติธรรมท่านบอกว่าหมดกังวลทันหาหมดภาระตั้งแต่ขนาดที่กี่ได้ผ่านพน้นภาระมหาเหตุใหญ่หลวงนี้ไปได้แล้วเท่านั้นก็รับผิดชอบอยู่เพียงขันอันนี้เท่านั้นไม่มีอะไรมากกว่านี้ ขันอันนีนะ้เป็นพาราฮเวปัญจักขันทาไปอีกแง่หนึ่งในเบื้องต้นพาราหาเวปัญจักขันทาทั้งความรับผิดชอบในขันด้วยทั้งความยึดถือขันนี่ว่าเป็นเราเป็นของเราด้วยหนักสองประเภทนี้พอจิตได้สลัดความยึดมั่นถือมั่นอุปทานออกจากตัวอวิชชาหลงนี่เสียอย่างเดียวเพราะะฉนั้นก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเท่านั้นความรับผิดชอบไม่เฉยท่านไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้แบกไม่ได้หาม มีความรับผิดชอบโดยหลักธรรมชาติของขันระหว่างขันกับหยิบ น, นี่ก็ เ, าาาเรียกว่าพาราฮาวเอร์บจากรันถาไปในแง่หนึง่งคือแบกความรับผิดชอบนั่นแหละเอาไว้ถึงมาแบกอุปทานก็ตามต้องมีความรับผิดชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งหิวกระหายทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี่ก็เป็นเรื่องจะรับทราบคนอยู่โดยดีโดยดีดยดอยู่ดีเพราะอยู่ด้วยการทําไมจะไม่รับทราบการต้องกระเพื่อมกันอยู่ธรรมดารับทราบรับทราบ แต่พอได้ปล่อยนี้ออกหมดโดยประการทั้งปวงแล้วเท่านั้นที่นี่บรมาสู่บรมาสูขถามมาที่ไหนดูหัวใจเจ้าของที่บริสุทธิ์นั้นเท่านั้นก็รู้แล้วจะไปถามหานิพานที่ไหนจะไม่ใช่บ้าหนิพานวะแล้วนิพานวัดพาศูนย์กลางยาวตรงนั้นยาวนี้ลึกนั้นเน้นมันบ้าทั้งนั้นแหละะไปพาศูนย์กลางที่ไหนดูในหัวใจเจ้าของที่มันบริสุทธิ์แล้วมันมีศูนย์กลางที่ตรงไหนะศูนย์ขอกที่ตรงไหนศูนย์กลางที่ตรงไหนวัดพาตรงไหนไปถึงตรงไหน ถ้าไม่ใช่บ้ามัน เ, เห็นจะชัดสิยันได้เลยสิพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวสอนโลกได้สมแดนโลกธาตุเป็นยังไงใครไปค้านพระพุทธเจ้าได้มีไหมนั่นแหละความจริงที่เห็นแล้วถึงพูดออกมาเอาอะไรมาค้านกาันออย่างต่างคนต่างเห็นด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกาันพระหรหัสต่างคนต่างรู้จิต ด, ดวงนี้ด้วยกันแล้วเอาอะไรมาค้านกันมันค้านก็ค้านแต่พวกตาบอดหูหนวกค้า น, านตั้งที่เถียงมันค้านแต่ตาไม่ลืมมึงสิมันไม่เห็นนี่จะว่าไง พันธุ์ท่าปรรมโมสุปรรมโมสุแสนสบายเลยอยู่นั่นที่ตั้งเท่านั้นไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเวลาจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับธรรมชาตินั้นท่านคิดว่าหายกังวลอืมจะเคยทุกข์เคยลําบากมาด้วยการเกิดเจตจิตตาย ม, มากี่ภพกี่ชาติตามพอถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วแต่ว่าตัดขาดตัดสะพานกันแล้วกับเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่เคยเกี่ยวโยงกันมาหมดแค่เพียงเท่านี้เท่านั้นไม่ไม่มีใครมาบอกก็ตามขอให้จิตตรงนี้ได้เป็นตัวเองเถอดการดั้งที่กล่าวว่าว่าละ วัดต่อวัดต่างแต่ใครไม่เคยเห็นก็ตามกี่ร้อยกี่พันคนมี่ล้านคนก็ตา่างเราเห็นคนเดียวก็ไม่สงสัยแล้วนั่นอันนี้ก็เหมือนกันท่านที่ว่าก็สันติโกสันติโกละเอียดมากนะคําว่าสันติโกนี่ละเอียดที่สุดเลยสุดยอดพระนั่นเลย น, นี่หละศาสนาพระเจ้าเนี่ยทันสมัยที่สุดเลยเป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมืองคู่โลกคู่สงสารอที่ว่าเป็นศาสนามามมตั้งเดิมเดิมตั้งแต่พระเจ้าองค์นั้นองค์นั้นนั้น นี่ร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันล้านทั้งล้านของศาสดาที่สอนศาสนาแบบนี้ด้วยความบริสุทธิ์อย่างนี้เป็นศาสนาที่บริสุทธิ์โดยแท้ไม่มีข้อของใจไม่มีทางสงสัย <H it> นี่แหะเป็นศาสนาแท้หรือผลสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยไม่ต้องสงสัย ส, ส, สร้างบารมีอัศารรของไปเป็นบารมีโดยแท้อ <H it> ืเพราะเป็นพื้นเพย์อันดีอันถูกต้องดีงามแมวไม่ผิดไม่พลาดนี่ศาสนาของคนสิ้นกิเลสเป็นเช่นนี้ ในส่วนศาสนาของคนมีกิเลสเราไม่ต้องพูดก็เหมือนเราเราท่านท่านนี้แหละมันเป็นยังไงคนมีกิเลสรู้อะไรเห็นอะไรมันแจ้งไหมมันชัดไหมนั่นอมันสิ้นกิเลสอย่างเดียวรู้เห็นมันมันก็ชัดเท่านั้นเองมันต่างกันความรู้อันเก่านี่แหละเวลามันรู้ทั้งๆ้งที่มีกิเลสมันเป็นอีกอย่างหนึ่งพราะมันรู้ด้วยความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งใจดวงนี้แหละพูดไม่ถูกแต่หากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี่แล้วเราจะจะแก้จากจิตที่มันเคยเป็นมาเนี่ย บอเกิดจากเก็บตายบอกความทุกข์ความทรามานมันอยู่ที่ความรู้อันนี้แหละพาไปไปเกิดที่นั่นเกิดที่นี่แต่มันไม่ยอมตายนะอิทธงดวงนี้มันไม่ยอมตายไม่ยอมจิบหายมันน่าเข้าร่างนั้นร่างนี้ไปตามหน้าแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วมีแง่หนักเบาขนาดไหนคนเราสัตว์ทั้งหลายก็ดีมันอยู่เฉยๆได้ยังไงมันต้องได้สร้างกรรมทํากรรมกรรมการทํากรรมสร้างกรรมดีกรรมชั่วนั่นแหละจะรู้ตนมาสร้างมาสร้างก็ตามแต่หลักธรรมชาตินั้นก็เป็นการสร้า ง, างนั้นแหละที่ว่า <Yeah. S 2> เป็นบาปเป็นบุญคือเป็นสุขเป็นทุกข์หนักเบามากน้อยเพียงไรไม่จะเป็นต้องมีเจตนาทุกประการทุกประเภทไปมันก็เป็นเองมันอยู่นั่นถึงเรียกว่าหลักกรรมลบไม่ได้นี่ล่ะสัตว์ทั้งหลายไปเกิดเกิดไม่เพียงเกิดได้เฉยตามหลักอวิชชาพาให้เกิดนะมันยังเกิดไปด้วยตามขนแหน่งของวิบากกรรมอยู่ด้วยใครสร้างกรรมดีคนนั้นจะไปเกิดที่ดีใครสร้างกรรมชั่วช้าละโมกไว้มากคนนั้นก็เกิดเหมือนกันแต่ไปเกิดในที่ชั่วช้าละโมกได้รับความทุกข์ความทรมานมากนั่นทั้งซิ นี่ลหลักธรรมชาติแท้ๆใครแก้ไม่ได้เพราะเป็นหลักความจริงไม่มีใครจะมาแก้ได้นอกจากสอนให้เป็นไปตามนั่นเท่านั้นอย่างนารกมีอย่างนี้ใครจะไปลบล้างนารกได้พระพุทธเจ้าองค์ใดมาตัดสู้ ม, มากี่หมู่กี่แสนกี่ล้านพระ อ, องค์แล้วองค์ไหนที่มีความสามารถที่จะไปลบล้างนารกได้เพราะลบล้างมาได้นั่นเองท่านจึงสอนวิธีเปี่ยนวิธีแวะอย่าอย่าไปอย่าทําทํานี้จะไปอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่ลบล้างได้สิ่งที่ทำลายได้ ไม่มีใครที่จะเมตตาสงสารโลกยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะต้องไปทําลายให้หมดอันใหนขึ้นชีว่าจะเป็นความทุกข์ความลำบากแก่สัตว์โลกแล้วจะไปทําลายให้หมดให้สัตว์โลกได้อยู่แสนสบายสมกับว่ามหาการในโกนาโถหิตายิสซาปานีมพระองค์มีความเมตตาสงสารแก่โลกทําประโยชน์ให้แก่โลกมากมายที่สุดหาประมาณไม่ได้ถ้ามันสมมา น, นี่ถ้าหากว่าพระองค์แต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะสามารถทําลายนรกได้นะอันนี้มันทําไม่ได้เพราะเป็นหลักธรรมชาติเป็นของมีอยู่กันอยู่ สิ่งที่มีอยู่มันแก้แก้มาได้ก็ต้องรีสอนให้รีถ้าสิ่งไหนที่มันลบมันล้างได้เช่นกิเลสนี่ก็สอนให้ลบให้ล้างให้แก้ให้ถอนให้ถอนเนี่ยก็บอกอย่างนั้นเห็นเห็นมาละอันนี้ให้ให้ให้สอนสอนให้แก้ให้ถอนให้ถอนให้ลบให้ล้างเรื่องความเกิดตายนี่เป็นความทุกข์จะไม่ให้เกิดได้ไหมเนี่ยได้สอนวิธีไม่เกิดนั่นท่านก็สอนดังที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ พิเรนั้นตัวเป็นตัวเชื้อพาหให้เกิดมันก็รู้กันอยู่ทอนที่เลนออกหมดเชื่ออางพาใเกิดไม่มีก็นิพพานนางปรามังสุดขังเท่า น, นั้นเองสิ่งที่บูรุเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและนํามาสอนโลกนี้แต่เป็นสิ่งที่ลึกรับ อ, อมากจริงๆนะเกินกว่าที่จะเชื่อถือพูดยังไงนะเพราะไม่ใช่ภูมิที่จะไปเชื่อถืออย่างนั้นได้นี่แหละที่พระองค์ทรงทอดพระทยัยไม่ใช่อะไรนะ แต่ก่อนพระองค์ก็ไม่ทรงรู้ทรงเห็นไม่ถ้าจิตไม่ได้เป็นอย่างนั่นแต่ก่อนเวลาทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็โหยทั้งความบริสุทธทั้งสิ่งทั้งหลายรอบด้านที่ทรงรู้ทรงเห็นเป็นวิสัยของพุทธะพระองค์แต่สมงรู้ทรงเห็นรู้ไปหมดโลกวิถูโลโกวิถูอย่าง<ม>ท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระล่าสุดญาณังอุดปาริปัญญาอุดรปาริจเจ้าอุดรปาริอโลโกอะโลโกอุดรปารินี่ฟังดิ กี่ชั้นพูดมานั้นญาณอุตตปานก็ชั้นหนึ่งละเอียดมากที่สุดเนี่ยปัญญาอุตตปานี่เป็นอีกอย่างวิชาอุตตปานี่อะโรโกดานี่อะโรโกดา น, าวดานสว่างปรหมดโล่ปรมว่างเวิ้งว้างประเลยอโโกดานี่ก็ยังอะไรญาณอะไรในนั้นนั้นสิบสิบอย่างกันกันใครจะไปรู้เราท้านนู แต่เราถ้าหนูป็นท่าหนูเจอหนึ่งนี้มันก็ยังแปลกประหลาดอัศจนรย์กี่ดวงนี้น เ, เข้าใจเปล่าเทศนี้วันนี้เข้าใจาเปล่าหรอเข้าใจเหรื อ, ออืมนั่นนะักเทศภาคปฏิบัติเทศเรื่องยิตเทศอย่างนั้นเนะ่ยพี่น้านะเทศปริยัติเป็นอย่างหนึ่งเทปศปฏิบัติเป็นอย่างนึ่ผมก็เรียนอุงโกงผมผมเทศได้ทางปริยัติผมก็เทศได้เพราะผมเคยเทศอยู่แล้วเนื่องจากเราก็เคยเรียนปริยัติอยู่แล้ว ปเทศปฏิบัติก็อย่างที่เห็นนี่จนะอะไรก็ตามมันไม่สนิทใจเหมือนเทศภาคปฏิบัติขนาดนักปฏิบัติแ่้จะประเทศปริยัติให้ฟังไม่ได้เข้ากันไม่เลยถ้าปฏิบัติมันถึงใจถึงใจถึงใจถึงใจนะผ้าที่มาศึกษาอบรมส่วนแล้วก็อย่าขยายกันนะมากเกินไปมันไม่เหมาะมันไม่เคยเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรอเราคิด ไม่ใช่เราไม่คิดที่เราพูดอย่างนี้เราคิดแล้วเราถึงพูดมันมากๆไม่ดีเลยต่างคนต่างตั้ง อ, อกตั้งใจวันหนึ่งวันหนึ่งผมก็พยายามไม่ให้มีงานมีการเพื่อจะให้ได้ภาวนากันถึงไม่ค่อยให้พาสร้างนิ่นสร้างนี้ยุ่งเ ย, ยุ่งไป ทำอะไรก็เป็นปิดๆย่อยๆไปอย่างนั้นไม่ให้ไปเกี่ยวข้องไม่ยุ่งไปทั่วทั้งวัดนะก็ะผมถือเรื่องการปฏิบัติยิดต่ภาวนาเป็นสําคัญเป็นงานชิ้นเอกเป็นงานชิ้นเอาเตืนเอาตายจริงไม่เหมือนงานอื่นที่ทําไปชั่วการเวลาด้วยความจาเป็นเล็กน้อยเท่านั้นก็ให้หยุดงานนี้เป็นงานสาคัญงานลื้อภพลื้ชาติหรือมหาตุก์ออกจากหัวใจไม่ใช่งานธรรมดา ผู้วิเศษวิเศษคือผู้ที่ทํางานนี้สําเร็จนี่นะวุฒิตางตพระมรดยังนะเสร็จมีพระมจรดย์อยู่จบแล้วคือเสร็จกิจในพระศาสนากิจตรงพระศา ส, น, สนาคืออะไรก็คือกิตตภาวนาเสร็จมั น, อ, มน อ, อยู่สบายที่นี่แสนสบายจริงๆไม่มีอะไรไม่มีคำวา่าอดีตนกโคตรท่านที่กิตมันเคยยุ่งกับอดีตนกคตมาเป็น เนื้อเป็นหนังจริงๆอยุ่งกับเรื่องคิดนั้นคิดนี้ยุ่งอดีตอนาคตเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องนรกเรื่องสวรรค์เรื่องอะไรจี่ป่าเถื่อนมันกว้านมาคิดเผาจะของต่อเวลาโดยที่ว่าสิ่งอย่านั้นคืออะไรอยู่ที่ไหนจริงหรือไม่จริ ง, ม, รงมันความคิดมันไม่ได้คำหนึ่งนะว่าความคิดเหล่านี้ผิดจริงหรืไม่จริ ง, รงแต่มันก็เคลิ้มไปตามความคิดจะของนี่เป็นอย่างนั้นนะ มนะันบากขนาพมัจะลื้อออกสิ่งเหลนี้ออกจากใจเมื่อสิ่งที่พาหมุนพาวุ่นวายออกจากใจแล้วใจมันก็ไม่วุ่นอยู่ที่นีนะ่เคยคิดมาอย่างนี้เท่าไหร่มันก็ร้อยทั้งร้อยมันตรงลงเลยร้อยทั้งร้อยเลยแต่ว่ามันคิดร้อยทั้งร้อยเอา้าวตรงลงร้อยทั้งร้อยี่ถ้ายังเหลือก็จะเหลืออยู่ ความปรุงประจําขันเท่านั้นทีบแยบนิดหน่อยเนี้ยมันไม่เป็นอะไรอันนี้บทีแยบแยบเท่านั้นมันเอาเหตุเอาผลเอาเรื่องราวของเราอะไรให้เราไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันทางกิ้งจกขาดว่ามันดิ้นของมันอิ้นธรรมชาติของมันเหมือนกับหางจิ้งจกขาดดิ้นเนี่ยไม่มีความหมายแล้วไม่หลงมันแล้วมันจะมีความหมายแล้วไปดูภาษาเงี้ถ้าไปหลงแล้วมันก็ไปพิสอีกิ์เอ เจ้าของวาดลองเจ้าของนี่อะไรหลงอารมณ์เจ้าของเหมือนบ้าให้มันผ่านนี่ไปซิมก็รู้เองว่ามันไม่เหมือนบ้าจะเหมือนอะไรแต่เดี๋ยวนี้มันกำลังเป็นบ้าก็ไม่รู้เจ้าของว่าเป็นบ้าหรอสิให้มันผ่านไปนี่นีมันก็รู้ว่าบ้าฮึ่มปุงอยู่งั้นแหละทั้งวันทั้งคืนปรุงนั่นปรุงนี้ปรุงเออโอ้โหเรื่องมันล่วงไปตั้งกับตั้งกันพอได้ยินที่ไหนก็ กว่านนำมาปรุง ส, สดๆร้อนๆออมาเผาเจ้าจของเป็นบ้าเลยเนี่เหรอพวกบ้าบ้ า, บาความคิดความปรุงหลอกเจ้าของอย่างนี้ฟาดจิตให้มันยิ่งใหญ่อยู่ในจิตมันพังทลางไปแล้เหลือแต่ความรู้สึกร้นอนความจิตแท้ๆเป็นยังไงที่นี่นั่นมันต่างกันไหมครับที่มันเป็นบ้าอแต่ก่อนมันมันไม่ต่างจะเรียกว่าแต่ก่อนมันเป็นบ้าเเดี๋ยวนี้มันดีหรือไม่ดีดดก็รู้เองนงะ คิดหลอกเจ้าขอปรุงหลอกเจ้ขออดีตร่วงมากี่ปีกี่เดือนแนละ้วไปอุ่นมาแาล้วเรื่อง น, นั้นอยู่ไหนไปปรุงขึ้นมาอยู่ในภายในใจลอคุอภในในีจอนาคตนั่นแหละทังอยู่ไหนก็รู้แ้อนาค ต, ย, นะาคตยังไม่มาถึงเอามาปรุงยุ่งของ มีตัวพาให้เป็นฉากลึกๆมันมีอยู่นั่นมันก็ทักดันมากนารนบการฉันในสั้งรวมตาสั้งรวมในบาทแล้วตาเวลาฉันในฐานนี่ตามือมองไปที่ไหนที่ไหนนั่นความไม่มีสติกล้วเสียศักดิ์ศรีของผู้ฉันในบาทเป็นอันมากทีเดียวนี่เราจึงเคยเตือนเพราะมองดูแค่ บ, คบมันขวางตานอะ ถ้เาเราไม่เคยปฏิบัติอย่างนั้นมาปาตัดเสยีปินตปาตัง ม, มันก็มีทั้งสองภาคเ่ีัาตัดยีปินตปาตังอันหนึ่งเป็นภาครับบิบาตหนึ่งนยสร้ามีติที่ฆ่ากาันเยาคือรับบาตทาความสัญญาอยู่ในบาตในขณะที่รับบาตเน่ปาตัดเสยีปินตาปาตัางในปุจิาสามีติที่ฆ่าการานีเวลาฉานสังหารแคความตัญอยู่ในบาต ตาเราก็มองยังไปเถอะไปถึงมองมองมองมองดูเห็นหมู่เพื่อนมาทําให้ขวางตายนี่โอดูไม่ได้นะผมเห็นอยู่นี่เราก็ไม่เคยทําความเข้าใจเจ้าของตั้งแต่วันฉันในบาทมาแล้วทำเอาจริงเอาจําทําความเข้าใจเจ้าของพ็ไฉันเหมือเม่อมองมองดูนั้นดูนี่ทั้งเกี้ยวทั้งกืนหาสติสตังไม่ได้โอ้หายเคียวศักดิ์ศรีของกรรมฐานอย่างน้อยเป็นอย่างนั้น นิ่งมากก็เหลียวความเลื่อนลอยดูใน น, น, นั้นนิบาทประตัดทันยีทำความเข้าใจทำความสำคัญในบาททั้งรวมในบาทขันะจะจะมันจะ ย, ยินเสียงดังทุกทกจิบให้ระมัดระวังจิตยาอาการของการกดความฉันในยี่หกข้ อ, อ่าขีวัตรท่านกันบอกไว้แล้วยี่หกข้อคื่เท่าไหร่ จะบินสดาดูป่าผมก็ลืมมาละเพราะมํา น, นานมันสอนหมดการขบการใายการขัารการขับการถ่ายโอ้สอนละเอียดลมากพวินัยละเอียดมากเดียวถ้าเราดําเนินตามพวินัยนันจะมีที่ต้องติที่ไหนถ้าเรานี่แหละความสวยงามทั้งนั้นนแหละที่โลกเขาต้องติเพื่อนฝูงเขาต้องติแสดงหูแสดงตาเพราะ ความไม่ปฏิบัติตามหลักทำหลักวินัยนั่นเองมันเลยไม่น่าดูอย่ามาทําให้เห็นนะมายังไงพระเดินมางานมาจากโน้นมันเดิ น, าา น, น, น, ดนสวนมาตอนค่ำตอนเขาเด็กก็ออกไปพอดีเป็นจังหวะที่เราออกมานี่พอดีจะให้เห็นนะพระวัดนี้นะ <c oughs> นะในครัวเราจะไม่เข้าไปใครจะเข้าใครเข้าไปไม่ได้นะ ้เข้าไปเฉพาะผู้ที่ที่เราสั่งไว้ตอนนั้นยุ่มย่ามยุ่มยามย่มยา ม, ามไม่ได้นะจริงเวลาเราไม่อยู่เนี่ยเรายิ่งคิดยิ่งนิตกมากเก่งกับสิ่งที่ไม่ไม่ควรอวดนะยังม่กล้าในสิ่งที่ไม่ควรกล้านะนี่พระพุทธเจ้าเองบอกว่าอรัถนอนันดาฟังสิ ไม่เห็นไม่ดูเฉยเลยอานุ์ดีนั่นฟังสินี่เป็นใครรับสั่งพระพุทธเจ้าแทนฟังสิใครจะเก่งยิ่งกว่าพุทธเจ้าละ่ะพระองค์รสั่ ง, งนั่นอานนุนทูลถามเวลาวจันนิพานองค์เจ น, นิจจานิพานวิธีปฏิบัติต่อสตรีเพศปฏิบัติอย่างไงรับสั่งอย่างนั้นเลยเจ้ญญาแสดงว่าไม่คุ้นเลยฟังสิ พรรถะนาอนันดาขึ้นตนไม่เห็นไม่ดูให้เลยอนุ น, นดีถ้าเหตุจเป็นที่เห็นมีถ้าจำเป็นที่จะได้เห็นได้ดูมีทำไงอย่าพูดน่ฟังสิมีแต่เด็ดๆอยงนั้นนะสำคัญมากเยเอามัน่าคิดมากที่สนดถ้าจำเป็นที่จะพูดจะให้ปฏิบัติยังไงพระเจ้าค่ะนั่นปานองก็ฉลาดให้มีสติ ให้เป็นไปตามคำอะไรลิศนาหรือะไรหรือกิเลสตันหารให้มีสติคือตั้งท่าตลอดในขณะที่เป็นเกี่ยวข้องกับเภทอันนี้บางจะมาการ า, านเห็นไม่ได้นะค่ัผมมาอยู่หลายปีแล้วก็เห็นมีทียวิยแสดงว่ามันแตกต่างจากเดิมนะ เราก็พยายามสอนเป็มไม่เต็มหน่อยเต็มทีม่กี่กำลความสามารถนิฐานนะของเราคุณสอนนี่ก็ก็ไม่ขยับจากเดิมอย่างว่ า, ว า, า, าทีมารับฟังจึไม่เกิดประโยชน์อะไรเพิ่มขึ้นมันเป็นยังไงมันมากไปมากไปมันเหลวไหลอืดอาดก็อืดอาดดูไม่ได้มันขวางตาทุกวันนี้ก็จะลูกตาก็จะแตกแล้วนะ มองดูมันนักเป็นใงนั้นแหละไห้ทราบมันเป็นยังไงยิ่งซับยิ่งปนกันมาใหม่เนี่ยหน้าใหม่ด้วยเยอล้วยิวยย่งปลาใหญ่นะอ่ ะ, อ ะ, น, ะนี่นะเร่งนั่งนานมี่นนนนปวดดีมากเนี่ผมปวดตนี้มาก